Dat dan bufangt een lijk. Dan ben het en loon, kwam, kwam, De kwam King wat je vandaag mee, mee, bent niet aan, je bent kwam, niet aan. De kwam ging niet niet niet gaarne, van de nieuwe wil ik de gebeurtenissen die ik heb meegemaakt, die ik ik heb geleerd, die ik heb gelezen, die ik ik heb geleerd, die ik heb die je dank ook, je Dat was het idee, ik ga een zwart dat was het is het idee, ik ga een hedukdong, ik ga een hedukdong, ik ga een hedukdong, ik ga een hedukdong, ik ga een hedukdong, ik ga het hedukdong, ik ga een hedukdong, ik ga een hedukdong, ik ga تھam, de pond die ben ma jing jing die welei ko soed panjak prasoid kan, kan soed panjak toeluek pra. je po prabiti tam. keer meer kaam keu zaj nei boed ting. alai lawni jing jing. de ge soed ben ten mak. P oog jing jing. sing pai pan maa, bang kon ge bang rong. bang tang rong tang dinn. pa haai pai. Ik heb een leuk record gehad, maar ik heb geen het te het te maken. Ik แต่ว่าผลภิกขัมโพสถพันยักษ์เพราะว่าเวลาๆเสียงพระที่สวดน่ากลัวมากเสียงกระแพทย์ก็ทันเสียงดังคือก้อง พระสวดถึงบทตอนสําคัญสิ่งก็แพ้กระทันหันมากๆน่ะเข้าคนบางคนหรือหลายๆคนลุกขึ้นวิ่ง Bang, kon er ook niet. is een van de beste. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb Ik heb het niet. Ik heb Ik heb het niet. Ik heb heb Ik แสดงตัวโตตัวใหญ่หน้าตาใหญ่ดุดันด้วยคํา ยักษ์ก็คือยักษ์คําว่าพานยักษ์แปลว่ายักษ์พูดต่อมาในตอนที่ 2 เพลผ่านพระผ่านพระคือคือตอนพระพูดจุลัยก็ถามว่าความเป็นมาจริงๆของเรื่องการสวดมนต์พานยักษ์กับพานพระจะ Law Kampinmark op hand jaakt op hand jaakt pan, pan, prat on pan, pan, pan, pan, botting pan, pan, pan, pan, เจ้าเลยก็ถามว่าบทวิปัสสิตเนี่ยสวดแล้วมีผลยังไงเจ้าค่ะลุงก็บอกว่าบทวิปัสสิตผี ถ้าสวดว่าเป็นแบบปกติผีจะไม่รบกวนเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะไม่รบกวนเธอก็บอกว่า เจ้าไลก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นหนูก็อยากจะทราบความเป็นมาบทวิปัสสิตนี่ถ้าไปถามพระองค์ไหนองค์นั้นก็รู้ใช่มั้ยเจ้าคะท่านลุงก็บอกว่าใช่เธอก็ถามว่าความเป็นมาจริงๆเป็นไปยังไงนั้นลุงจะเล่าให้ฟังได้มั้ยท่านลุงก็บอกท่านหลานต้องการจะฟังลุงจะเล่าให้ ท่านได้เล่าความเป็นมาว่าความ Maïkwa Holland kan niet aille leggen, maar kan niet paaipani. Ja, ik kan niet ja, ik kan niet paaipani, ja, ik kan niet paaipani, ja, ik kan niet paaipani, ja, ik kan niet niet paaipani, ja, ik kan niet paaipani, ja, ik kan niet paaipani, ja, ik kan niet paaipani, ja, ik แต่ว่าเมื่อคนทั้งหลายตั้งใจทําความดีเพื่อตัดกิเลสแบบนี้แต Kaup bijvoorbeeld een so sa Bang, แต่เทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิก็ดีผีที่เป็นมิจฉาทิฐิก็ดีการแข้งแกร่งแบบนี้ 6 3 ท้าวท้าววิรุณปักแล้ว 4 ท่านท้าวทศรถ ชาว 4 คนนี้มีหน้าที่รักษาชาวโลกคือชาวมนุษย์ทั้งโลกในถ้าสร้างความดีก็หาทางป้องกันช่วยเหลือแต่ก็สร้างความชั่วกับหมดสุดวิสัยที่จะช่วยได้ก็อดใจไว้แล้วก็มีหน้าที่ต้องบันทึกความดีและความชั่วของคน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 Lekker mee dit jij bintip Kwam bentip is a ma, ro, kanker, en kwam los, ik kon net op jang. Net doe kon mi lok. Mij zit online, mij na, ti, kon lom die ook jet on ro. Poetie ro, en dat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 แต่ว่าไม่ใช่แผ่นทองคํานะแผ่นหนังสุนัขเพราะว่าเมืองเทวดาไม่ ถึงเวลาวันโกณฑ์ขึ้นวันกลางเดือนหรือวันสิ้นเดือนเค้าก็นําบัญชีมาให้เทวดาชั้นจาตุมหาราชชั้นจาตุมหาราชก็ ปัจจัยส่วนไหนเป็นความ แต่ความจริงบัญชีพระญาติโยมนั้นมีทั้งบัญชีทําคุณลุงเจ้าค้าขอเล่าเรื่องความเป็นมาของ ท่านลุงก็บอกว่าในเมื่อเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิก็ดีเออผีเป็นศาสตร์ต่างๆที่เป็นมิจฉาทิฐิก็ดีคอยกลั่นแกล้งลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลุงเองในฐานะที่เป็นเป็นมนุษย์ก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันลุงเป็นพระอริยเจ้าได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าท่าน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 als deze tien in de vier keer zijn gehoopt. ie is weer begrijpt uit de hinder gechooptin. De prier kilo werden in het ervaren van armen met de Agost. Sang beneise op deze 10eО in de regio is daar te verk ag en een voetира inhoudtige Harr待 graag. Bij Zervond al de splash van จะนับถือพระพุทธเจ้าหรือไม่นับถือก็ตามอันนี้ไม่รับทราบให้พึงทราบว่าถ้าบุคคลผู้ใดเค้าสวดมนต์บทนี้อยู่ด้วยความตั้งใจดีไม่ใช่ไกร่งแกร่งไม่ใช่ขับเทวดาไม่ใช่ขับผีเค้าไปอยู่ที่ไหนก็ตามพอเริ่มต้นปั๊บก็สวดมนต์ตั้งแต่นะโมตัสสะเรื่อยไปและขั้นต่อ ถ้าหักว่าท่านผู้ใดเค้าสวดมนต์บทนี้อยู่ไม่ใช่สวดทั้งวันนะแค่ ท้าวมหาราชทั้ง 4 จะปรับโทษใน คณะที่ลุงกราบทูลพระพุทธเจ้าตอนนี้เค้าเรียกว่าพญายักษ์ซึ่งเค้าลือ de dat ten. Kambasot, hij het ik een korop, maar ik heb een korop, maar ik heb een korop, maar ik heb een korop, maar ik heb een korop, maar ik heb een korop, maar van heb een korop, maar ik heb een korop, maar ik een korop, maar ik heb een korop, maar ik heb een korop, maar ถ้าใครฝ่าฝืนจะต้องถูกธรรมราชาทั้ง 4 ลงโทษ ก็แนะนําคําคําสวดมนต์ทั้งหมดคือท่องให้จําได้แล้วท่องซ้อมพร้อมกันตอนนี้ถ้าเรียกผ่านพระคือพระพูดพระคือพระเจ้าพูดเกินมันเป็นว่าเรื่องราวผ่านยักษ์กับผ่านพระเป็น ว่าปี พ.ศ. 2492 มีพระองค์หนึ่งไปอยู่ที่เขตเขาวงศ์ประจันแต่ก็ไม่ได้อยู่ในวัดท่านปลูกกระท่อมอยู่ในป่าถ้าพระองค์นี้เข้าจะ เอา ฉะนั้นตอนเช้าก็ดีตอนกลางวันก็ดีตอนเย็นก็ดีตอนกลางเขารําคาญตอนกลางวันก็สวดเสียงดังตอนเย็นก็สวดเสียงดังพอค่ํา สวดอย่างนี้ทุกวันแต่ปรากฏว่ามีวันหนึ่งตอนเย็นประมาณ 4:00 น. เย็น 4:00 น. ใกล้จะ 5:00 น. เป็นเวลาที่พระองค์นี้สวดมนต์แต่แทนที่จะมีเสียงสวดมนต์กลับได้ยินเสียงพระ ต่างคนก็ต่างไปวิ่งแต่เมื่อทุกคนเข้าไปถึงประตูถ้ำก็ต้องผงะก็เห็นบุคคลคนหนึ่งตัวตี เมื่อทุกคนก็ไปที่นั่นไปยืนอยู่ก็ยังตีอยู่พอดี เทวดาตีหนูคิดว่าเป็นเทวดาพระ ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เจตนาจริงๆก็ต้องการขับผีขับเทวดาฉะนั้นในเมื่อ เธอก็ถามว่าเทวดาผ้าแดงนุ่งแดงใส่เสื้อแดงผ้าคาดหัวแดงมีที่ไหนท่านลุงก็บอกว่าท่านลุงท่านก็บอกว่าหลานรักมองไปดูข้างหลังสิพอ ลุงนี่ตามปกติก็มีเพชรเต็ม ที่เวลาเข้าเฝ้าพระอินทร์ลุงแต่งเต็มยศท่านพูดว่าคุณลุงเจ็บคะ แล้วเวลาจะตายไม่ได้เข้าฌานถ้าอย่างงั้นคุณลุงรู้จักเลขหวยมั้ยคะท่านลุงก็บอกเรื่องเลขหวยน่ะหลานรู้ลุง ท่านเมธสวรรค์ฉันฉันก็ จุลัยก็ถามว่าการศักดิ์สิทธิ์จะปรากฏขึ้นเพราะอะไรท่านท้าวเวสวัณก็บอกว่าถ้าเขาฟังๆมีมาก ตั้งใจทุกคนมีความสุขโดยศีลโดยธรรมอย่าง hem เทวดาชุดแดงเข้าไปช่วยจุลัยก็หา hoe wij dit hier kam dan dan, kon, แนววัฒนที่เค้ามีผลเค้าตั้งใจเป็นกุศลจริงๆจุลัยก็ถามว่าถ้าอย่างงั้นลุงจะบอกพิธีกรรมได้มั้ยท่านลุงก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของลุงเสร็จแล้วอ่ะจุลัยอ่ะมาถามท่านท้าวเวสวัณว่าคุณลุงเจ้าคะจะบอกพิธีกรรมได้มั้ยท่านลุงก็บอก ถ้าบุคคลใดต้องการอยากจะรู้ต้องการอยาก ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล